พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกมา้าพระสงฆ์เหมือนอาชาในคือมา้านั่นแหละพระสงฆ์เนี่ยเปรียบเหมือนฝูงอาชาในที่ฝึกดีแล้วพันตรงนี้ก็ขอยกพระสูตรสักสูตรหนึ่งนะก็ความในอาชานยสูตรที่หนึ่งอังคุตรนิกายติการนิบาศ องตัดว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการย่อมควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหันะโดยแท้องค์สามประการเป็นไนคือม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยสีหนึ่งะนะสองสมบูรณ์ด้วยกําลังสมสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเร็ว ดยความพิสูจทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการนี่แหลย่อมควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉั้นใดดูความพิสูจนทั้งหลายภิกษุนผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทําบุญควรทําอัญเชิญเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์สามประการเป็นไนคือภิกษุในทัพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวันนะหนึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังหนึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวหนึ่งด้วยกาภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวันนะอย่างไรวันนรก็คือผิวพันผิวพันของภิกษุนี้อะไรเดาได้ไหมผิวพันของภิกษุคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอาจาระคือมารยาททางกายวาจาโคจรก็คือที่เที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดูกวานภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวันนะอย่างนี้แหละ ดูการพิสษุทั้งหลายก็พิสษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังอย่างไรอะไรเป็นกําลังของพิกษุกําลังนะกําลังเนะี่ยพิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอาคุสุลธรรมเนี่ยข้อหนึ่งน ะ, ะเพียรของท่านก็อกําลังของท่านก็คือวิริยะความเพียรก็คือสัมมาประธานนั่นเองเพียรเพื่อละอกุสุลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีเรี่ยวแรงมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมอยู่ดูกันพิสุททั้งหลายพิสุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังอย่างนี้แหละการงานที่ต้องใช้กำลังใช่ไหมการเจริญสัมมธรรมก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกันังนั้นเพียรในที่นี้ก็คือเพียรอย่างไงที่จะให้อวิชชาซึ่งมันมีเต็มอย่างนี้มันจะได้ลดลดอ่ะ ยังไงด้วยแต่ทางฆ่าประหาอย่างี้ใช่ไหมเพียรละอวิชาด้วยแต่ทางฆ่าประหารแต่ทางฆ่าประหารก็มีตั้งแต่ระดับเห็นขันท่าเห็นปัจจัยของขันท่าเป็นต้นท่านจะต้องรู้จักลักษณะนี้นะเพียรเพื่อที่จะละอวิชาละความไม่รู้ละความเมื่อความบอดเนี่ยมากๆอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยกําลังโอ้ต้องใช้แรงอย่างมากเลยนะถ้าไม่มีแรงเนี่ย ไม่ไหวแน่คือพูดถึงความเพียร น, นี่นะแม้แต่ในในระหว่างที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะบำเพ็ญความเพียรเนี่นะเราเห็นว่าโอ้โหเรื่องความเพียรในเรื่องการการการศึกษาธรรมะนี่นะนพเพราะว่าการเห็นผลเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายใช่มไหมแล้วมันยาวนานแต่ผู้นั้นยังมีความเพียรอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันยิ่งกว่าเพียรทําอะไรทั้งสิ้นนะ เจนปองเพราะไม่เลิกอ่ะไ ม, ไม่เลิกอ่ะอย่างในโลกโลกนี้เราเพียนทําทำไรเนี่ยมันก็มีโอกาสจะจะจ ะ, จะสำเร็จเจนปองเห็นใช่ไหมซึ่งซึ่งไม่นานเท่าไหรต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นฝั่งนะั้นก็เพียนอยู่นั่นนะ่ะเจนปองก็บอกว่าพระโพธิสัตว์ในสมัยที่เกิดเป็นพระมหาชนกใช่ไหมพระมหาชนกนั้นขณะที่ว่ายอยู่ในมหาสมุทรอะ่ะเจ็ดวันแล้วมองไม่เห็นฝั่งอะ่ะแต่ก็ยังไหวยอยู่นั่นแหละ ไม่เลิกราจิตใจของท่านเนี่ยมั่นคงเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้ก็บอกทั้งๆ ท, ท, ที่มองไม่เห็นฝั่งก็ไม่เลิกท่านก็ได้คติว่าไอ้คนที่ไม่ว่ายคนที่ขี้เกียจนะตายไปหมดแล้วนั่นแหละเพราะท่านยังว่ายอยู่นั่นแหละท่านยังอยู่ได้จนถึงวันนี้เห็นมเสร็จแล้วท่านก็ถึงฝั่งได้เป็นพระราชาเลยพอได้เป็นพระราชานะท่านยังนึกนึกแล้วก็ปราบเลื่มในความเพียรของท่าน ที่ท่านภาพเพียรพยายามอยู่ในมหาสมุทรท่านท่านอุปมานะพระโพธิสัตว์ที่สมาทานวิริยะบารมีท่านสมาทานว่าท่านนี้พึงมีความเพียรเหมือนกับสีหะมิฆราชมิขะก็คือมลดกอะมรดกก็คือพวกเนื้อทั้งหลายราชาของเนื้อทั้งหลายก็คือราชสีราชสีนั้นเป็นผู้ที่องอาจในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นะ คล้ายๆกับว่าพร้อมอยู่เสมออย่างนั้นเลตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามั่นคงไม่หวั่นไหวลักษณะนั้นท่านจงสมาทานวิริยะบารมีอย่างนั้นแหละมั่นคงเด็ดเดียวเหมือนอย่างนั้นไม่รู้สึกว่าวั่นเกรงอะไรทั้งสิน้นเพราะไม่มีการท้อแท้ในความคิดแม้แต่นิดเดียวยนั่นแหละไม่มีคำว่าลางนั้นการเจริญกุศลธรรมต้องเป็นในลักษณะนั้นนะ ดูการพิสูุทั้งหลายก็พิสูุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวอย่างไรชาวณนะแปลว่าความว่องไวนะมานี่เร็วถ้าพิสูจนนี่เร็วนี่เร็วยังไงพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอันปัญญาเนี่ยไวไม่ใช่อย่างอื่นไวนะ ไว้ที่จะรู้แจ้งวันนี้อุปาทานขันห้านี้อุปาทานขันห้าสมุทัยนี้อุปาทานขันห้านิโรดนี้อุปาทานขันห้านิโรธคามินีปฏิปทาวันก่อนยมผู้การไปขึ้นเอาข้อความในสังยุทใช่ไหมกล่าวถึงว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรตรูปนิโรธคามินีปฏิปทาอัศธาของรูป อาทีนวะของรูปและก็นิสรณะของรูปนั่นอะไรแสดงว่าผู้ที่มีปัญญาวิจัยเรื่องรูปอย่างกว้างขวางว่องไวลักษณะนี้แหละสมบูรณ์ด้วยเฉาเราว่านโงงดูกาพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการนี้แหลย่อมเป็นผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทาบุญควรทําอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า อันพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นผู้ฝึกม้าลักษณะนี่แหละอั้นพระองค์เอาพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกใช่ไหมเอาพระธรรมคือพระธรรมที่พระองค์กล่าวถึงเรื่องอริยศาสตร์เป็นต้นนั่นแหละมาฝึกพระพิกษุจนพระพิสุนั้นสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าปุญญกเขตังโลกัสสาตินะบุกิณี ที่บอกว่ารูปรูปสมูทไทยนี่นะสูตรนี้นี่น่าสนใจนะครับท่านลองเอาไปลองคิดดูนะเพราะว่าเราจะเอาอะไรไปเติมข้างหน้าเนี่ยนะมันจะเห็นภาพอะไรอีกหลายอย่างนะโกรธโกรธสมูทไทยโกรธนีโลดโกรธนีโรทากามานีปฏิปทาโอ้นี่เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งเลยนะเจนพานนะถ้าเกิดว่าหูหูสมูทไทยออนี่มันก็ไปอีกเรื่องอน่ะ จมูกจมูกสมุทรไทยจ ม, <ช>จมูกนี่โลด<ช>จมูกนี่โลทคามณีปฏิปทานมีความหมายเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นอริยสัจจีทั้งนั้นเลยเ น, ะนาะเจริญบาลที่ทเป็นนามธรรมก็ได้ทั้งนั้นเลยนะรูปรสภาวะธรรมทั้งหมดนะทั้งจิตและเจตสิกนั้นอนะสา ม, มารถที่จะสงเคราะห์ลงอ่ะนะตามสูตรที่ว่าได้เลยอแต่ว่าท่านจะแสดงในลักษณะของขันธ์ธาตุอายตนะซะสุวนใหญ่ เช่นจากขคจากโคสมุทัยจากโคนิโรจากโคนิโรท่าคาเมนีปฏิปทาหรือวิญญาณจะได้วิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรท่าคาเมนีปฏิปทาจิตเห็นจิตเห็นสมุทัยเป็นยังไงครับสมุทัยของจิตเห็นคือจิตเห็นเจอผ่านจิตที่กําลังเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นสมุทัยเอาเอาก่อนเอาเอาเอาทุกข์กายก่อนครับ เ อ, เอาจิตเห็นก่อนใช่ไหมครับ uh huh. นะจิตเห็นจะเกิดขึ้นได้นะปัจจัยของเขาก็คือจกักรพรราิกับรูปอารมณ์มนุิการจิตเห็นเป็นจิตชาติไหนหาชาติวิบากแสดงว่ามีกรรมเป็นปัจจัยกรรมเหล่านั้นนี่มีเป็นบริวารหรือเป็นบริขารของตันหาเพราะในตันหาในการก่อนเนี่ยเป็นปัจจัย ให้จักขูวิญญาณนี้เกิดขึ้นฐานถ้ากรรมนะยังมีจักขูวิญญาณก็ยังมีนี่นี่ไกลนะหนึ่งนะถ้าสีมีรูปมีแสงสว่างมี น, นี่ใกล้ๆแบบธรรมดานั่นแหละแต่ว่าอาวิชากับกรรมเหล่านั้นอย่าว่าไกลนะจริงๆก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้สมุทัยใหม่สมุทัยเพื่อพบใหม่เพื่อปุญญพบเหมือนกันนั่นแหละ อันถ้าหากว่ามีการแพ่งลักษณะนี้บ่อยๆนะเราจะเริ่มเห็นเข้าโครงของอริยสัจมากขึ้นและจะเห็นต้นตอนะถ้าเราแจ้งอริยสัจในเรื่องราวเหล่านี้รู้เรื่องจกักโขนะจกักโขวิญญาณจากักโขวิญญาณสมุทัยอย่างดีและจะรู้ว่าถ้าสมุทัยอันนี้ไม่มีอะเรียกว่าถอดลิ่มออกแล้วถอดสลักอันนี้ออกซะไอ้อวิชชาอันนี้ถ้าถอดออกแล้วก็เข้ากันได้นล้ว ข้อปฏิบัติที่รอบรู้ น, นะความอนาข้อปฏิบัติขึ้นต้นด้วยสมาทิฏิใช่ไหมสมาทิทิที่มากำหนดรู้จากขูกในชั้นต้นเนี่ยกำหนดรู้จากขู่สมูทายด้วยนะในที่สุดเมื่อกำหนดมากๆจะละสมูทยมายใหม่ถ้าสมูทายในอดีตเนี่ยมันไปละได้ไหมไม่ได้เพราะกรรมในอดีตมันหมดไปแล้ว ละตันหาใหม่เพราะสำรอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือสำรอกความยินดีในจักสุโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอริยมครคนั่นแหละอริยมครคคือสัมาทิฏิเป็นต้นเนี่ยละคลายความยินดีในจกักขุแต่แต่ต้องต้องทำให้มันร้อนก่อนนะแต่ถ้ายังไม่ร้อนเลยนะมแมลงวันมันยังเกาะอยู่ก็บอกว่าตันหามันก็ยึดติดในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมนั้นวิปัสสนา การเจริญหรือการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องประกอบด้วยอาตาปีความเพียรพยายามให้กิเลสร้อนนั่นแหละกิเลสต้องต้องร้อนพอสมควรนะเพราะเห็นความเป็นไปของจักสุเป็นอย่างดีนั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นโดยโทษนะโทษของโดยโทษของจักสุนะต้องเอาจักสุแพทย์มาเล่ามีโทษขนาดไหนอท่านจงพิจารณาโดยความเป็นโรค เป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากอันโรคาโตเนี่ยธรรมะเราก็กล่าวไว้ด้วยนะอะไรที่เป็นของจริงนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงหมดอะไรวิชานั้นจะสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆก็มีตั้งเยอะแยะท่านลองเอาเป็นทันตะมั่งสิครับนึ่งหมออยู่ทั้งสองทันตะสมูทัยดูที่มันตรงกับไอ้วิชาที่ท่านเรียนมามั้งหรือเปล่านะทันตะนี่โลธะฟันหลุดไปยังไงอะทันฟันตะนี่โลธะ ทานตานี้โลทาคามมณีปชิตปฏิปทามันขึ้นอยู่กับไอ้คีมเคอรมแล้วมั้งเปล่า <c oughs> นะ่นทั้งว่าให้ฟังใหม่ทีครับ <c oughs> คือในเรื่องของฟันนั้นก็สามารถส่งข้อลงอริยศาสตร์ได้นะในฟันทั้งหมดนั้นเป็นทุกขศัพ์เลยนะเอาโดยสัจจะในฟันทั้งหมดมีกี่รูปฟันมีกี่รูปสามสิบสองซี่ท <c oughs> ถ้าโดยรูปนะ ในฟันทั้งหมดมีอยู่สี่สิบสี่รูปสี่สิบสี่รูปนะไม่ถึงห้าสิบสี่สี่สิบสี่รูปก็คือกายทัศ ก, กะหนึ่งนะมันยังมีการเสียวฟันเป็นต้นพวกนี้เป็นกายในส่วนของกายสองภาวะทัศ ก, กะสิบแล้วนะสามอุตุอีกแปดอุตุเชโรแปด สจิตตะชรูปกลุ่มที่สี่นะจิตตะชรูปอีกแปดแล้วก็อาหารเชรูปอีกแปรวมเป็นสี่สิบสี่รูปในฟันสี่สิบสี่รูปเนี่ยนะอ่าในเบื้องต้นเลยเขามีวิธีพิจารณาแบบธาตุนะฟันเนี่ยมันอยู่ในเหงือกมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในเหงือกเหงือกอุ้มมันไว้เหงือกที่ไปอุ้มฟันมันก็นไม่รู้พิจารณาในลักษณะนี้ก็ได้แปลงฟันนะเวลาเราแปลงฟันนะ แปลงที่ไปถูเงือฟันเนี่ยแปลงก็ไม่รู้ฟันที่ถูกถูกมันก็ไม่รู้อีกแล้วอะไรรู้อ่ะกายวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้นั่นแหละอันขนาดที่แปลงฟันนะสามารถเจริญหมวดธาตุได้เลยฟันก็ไม่รู้ว่ามีแปลงเข้าไปถูมันใช่ไหมแปลงก็ไม่รู้ว่าไปถูฟันต่างฝ่ายต่างไม่รู้อะไรเลยแต่พอ กายกับโพธาภะกระทบกันเกิดกายญวิญญาณขึ้นแต่ละอย่างก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรูปรูปบางอย่างมีกรรมเป็นสมุฐานมีกรจจรมเป็นปัจจัยเพราะกรรมเป็นปัจใจนั่นแหละฟันแต่ละคนไม่มีเหมือนกันซาคนเลยนะน่าจะเหมือนกันอนะนะคนไทยด้วยกันอ่ะนะไม่เหมือนเพียงแต่เข้าเขามันคล้ายครึงนันเองแข็งอ่อนยังไม่ไม่เท่ากันเลยอะ่ะเดีเชื่อถามหมอดูสิ ส่วนหนึ่งก็กรรมที่แตกต่างกันคือตัวยังไงตัวฟันเองก็คืออวินิโพครูปใช่ไหมก็คือพวกอวินิโพคครูปอวินิโพครูปเหล่านั้นซึ่งมีกรรมที่แตกต่างกันงนั้นความรู้ของทางพระนะยังไงก็ต้องไม่ทิ้งเรื่องกรรมเบื้องต้นนั้นต้องเอากรรมมาก่อนเพราะว่าสัมมาทิฐิเบื้องต้นทางผู้ศาสนาก็คือกรรมมสกาสัมมาทิฐิ อพอเข้าใจเรื่องกรรมปั๊บจะเข้าใจเรื่องปัจจัยอย่างดีเลยใช่ไหมฟันนี้มีอะไรเป็นชนกกรรมทำให้ฟันเกิดกรรมนี้ฟันนี้มีอะไรเป็นอุปธรรมภกะกรรมกรรมมีอะไรเป็นอุป ป, ปีระกะกรรมนั่นแหละงนั้นศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆละเอียดแล้วก็จะเข้าใจเรื่องสมุทัยของฟันถ้ากรรมเหล่านั้นไม่มีฟันนี้จะมีไหม ไม่มีนั่นแหละอันปัญญาที่เข้าไปรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติทางทางพระนะอันเอาความรู้เป็นเป็นประมาณนั่นแหละอถ้าหากว่าผู้ที่ละคลายความยินดีในในฝันได้ผู้นั้นก็จะเขาเรียกว่าสำรอกตันหาโดยไม่มีเหลือถ้าตันหาดับถ้าตันหาดับนะอุปาทานก็ก็ดับด้วย ใช่ครับจพุ่งฟันกับุ่งดับน <c oughs> อฟันฟันนี่ต้องดูนะบางคนก็ดับพร้อมกันเลยจุติพร้อมกันเลยก็มีนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าฟันก็ยังอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นของกรรมเก่าแต่ถ้าหากว่าสำรอกอวิชชาละอวิชชาได้แล้วอวิชชาเนี่ยมันนำเกิดภพใหม่นะภ <c oughs> พใหม่ที่ว่านี้ต่างโดยเอกโวการพบจจตวกรพบปัญจวกรพบถ้าไม่สัรอกอวิชชา ไม่ละตันหาขนาดนี้เนี่ยปฏิสนธิแน่แต่ถ้าละอวิชาได้แล้วพบใหม่ก็ไม่มีฟันไม่มีใหมนะ่แน่อ๋อไม่มีแต่ถ้ายังละไม่ได้นะมีใหม่แต่ว่ามันหน้ามีหรือเปล่าก็ไม่รูไปดีเท่าเก่าก็ายังช่วหนอะนะ <c oughs> นั่นแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเรียนเรื่องกรรมนะว่าฟันเนี่ยมาด้วยกรรมที่แตกต่างกันนะฟันแต่ละคนแต่ละคนมาจากศีลประเภทวาจานั่นแหละนะ ที่จริงเราพูดทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยมีผลกับฟันหมดเลยนะคำพูดเหล่านี้นะมีผลต่อกรรมที่จะทำให้มีฟันในภพต่อไปอีกนั่นแหละถ้าเราไม่สังวรปากดีๆนะแน่เกิดเราพูดทิ้งอย่างเงี้ยคนเนี่ยแผ่นกันตลบปบอวนไปหมดเลยเขาบอกว่ามีปลาอยู่ตัวหนึ่งครับพูดทิงเหม็นกลบทั้งเมืองเลยอันบางคนเนี่ยอ่ากลิ่นปากค่อนข้างแรงมากเลยบางคนก็มาจาก ฟันมาจากปากมาจากอะไรหลายๆอยา่างฉั้นกรรมเหล่านี้นะมีผลนะแต่ว่าเพียงแต่มันให้การเวลาต่างวาระเท่านั้นเองแต่กรรมที่เรากําลังทํากับผลที่มีขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยเหตุผลมันใกล้เคียงกันเหตุผลใกล้เคียงกันมากอันเราศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆแล้วก็จะเห็นฟันแล้วก็สมุทัยของฟันเป็นต้นนะต่อไปก็แปลงฟันแล้วก็ ถ้าคิดเจริญอะไรไม่เป็นเลยนะบอกว่าแปลงมันก็ไม่รู้ว่ามันถูฟันฟันก็ไม่รู้ว่าถูกแปลงถูใช่ไหมต่างคนต่างไม่รู้เลยเพราะเป็นสัพท์แต่ว่าธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองฟันเป็นส่วนหนึ่งเป็นกายธาตุแปลงที่ถูเป็นโพธาภธาตุถูไปทีนี้มันก็มีเจ็บใช่ไหมพวกนั้นก็เป็นกายวิญญาณธาตุเวทนาเป็นธรรมธาตุ พวกนี้เป็นแต่ธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ธาตุบางอย่างเป็นอัพยากะตะนะนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถ้าไม่รอบรู้สิ่งเหล่านี้เป็นอวิชชาเคยคิดไหมว่าโอ้แปลงฟันแล้วไม่รู้เรื่องนี้อย่างดีเลยนะเป็นอวิชชาะนะแสดงว่าเราไม่เคยคิดถึงเรื่องกิเลสเลยว่าไอ้กิเลสเป็นยังไงนี่เข้าถึงอสัมโมหสัพชัญญาแล้วนะครับแปลงฟันเนี่ย ก็ดีแล้วนะดีแล้วเจิญฟัครับเวลาก็ใกลกันไปแล้วหรือนิดเดียวเอ้าท่านจะมีคำถามอะไรมาไหมครับก็มาจากบุญประเภทสัมมาวาจานั่นแหละนะเป็นบุญประเภทสัมมาวาจามดเวณจากการพูดเทศพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ตะโกนพูดส่อเสียดนั่นแหละครับอาจารย์ทองเนี่ยเวลาที่จะ ไล่สนิมทองเนี่ยซึ่งไอ้สนิมกับตัวทองเนี่ยมันสนิมมันก็อยู่ข้างในทองนั่นแหละถามว่าถ้าจะเอาสนิมทองออกไราทํำยังไงเข้าในเบ้าลอมใช่ไหมต้องให้มันร้อนได้ที่นะถ้ามันร้อนได้ที่แล้วมันพวกสนิมที่อยู่ในทองเนี่ยมันจะกระเทาะออกเองแะถ้าร้อนได้ที่ชั้นได้ กุศลจิตถ้ามีความเพียรพยายามบากบั่นเต็มที่มันจะกระเทาะมันจะร้อนไอ้พวกบาปกุศลออกไปแต่ถ้าร้อนไม่เต็มที่นะหุงข้าวก็ไม่สุกเชื่อเถอะนะไฟฟ้านะถ้าไม่ได้ระดับนะหุงข้าวไม่สุกลไฟอ่อนกําลังไปอย่างเงี้ยวายวัดไม่พอเนี่ยหุงข้าวไม่สุกนะฟืนหุงข้าวเหมือนกันหุงด้วยฟืนเนี่ยถ้าความร้อนไม่เพียงพอหุงข้าวไม่สุกชั้นได้ การเจริญกุศลธรรมนะถ้ากุศลไม่ได้เกิดอย่างต่อเนื่องมีความเล่าร้อนระดับหนึ่งนะไม่มีทางละกิเลสได้ก็บอกเชื้อโรคบางอย่างในใช้ไฟซึ่งมีความร้อนสูงมากจึงจะฆ่าเชื้อตัวนั้นได้กุศลจิตเนี่ยต้องสูงขึ้นมากๆจนขนาดโคตรภูยานยังฆ่าละไม่ได้เลยต้องระดับมัรคยานนั่นแหละเผาระดับนั้น น, นนะจึงจะจึงจะตายเชื้อกิเลสบางตัวเนี่ยพวกสากายะทิฐนีนะจะเผาโดยไม่มีเชื้อเลยเนี่ยต้องไฟระดับ โซดาปฏิมาค์ใช้ความร้อนระดับนั้นนะะเป็นถ้าธรรมดาเราก็เป็นหมืน่นหมื่นฟาเรนไฮต์นั่นแหละร้อนมากเพราะฉะนั้นหาเชือไฟคนนะหาเชือไฟไวเยอะๆถ้าไม่มีเชือกนะอย่าไปเผามันเลยเอาอะไรไปเผามันอ่ะมั น, น, น, มนเผาเราเรียบเลยเรียกว่าถ้าถ้าเป็นพระนะพระนี่ไม่ใช่ดูได้หมดทุกอย่างนะ ดูแล้วบางอย่างเป็นอบัตินั้นไอ้ดูแล้วเป็นอบัตเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าดูก่อนระดับต้นทีนี้ดูต่อไปดูแล้วไม่เกิดอบัตดูแล้วกุศลและจิตเกิดไหมอันนี้เป็นอินทรังวลทีนี้ดูต่อไปอีกดูแล้วปัจเจเวกไหมพิจารณาไหมอันนี้เป็นปัจจยะสีที่ดูนี่ได้มาโดยชอบทำไหมอันนั้นเป็นอาชีวะอันเจตุปริสุท ธ, ธิ์ที่ศีลต้องดีระดับนี้ก็นนั่นแหละ นี่ก็คือเป็นการห้ามอารมณ์ระดับหนึ่งเป็นการห้ามอารมณ์ที่เป็น ก, ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดอาคูชนทันจีบอเนี่ยก็เหมือนกันที่ห่มหมเนี่ยถ้าหากว่าไม่เอาจตุปริสุทธิ์ศีลมาสงเคราะห์จับมันก็เป็นบาปเป็นอาคูชนอาศัยจีบอว่าจีบอว์นี้ได้มาโดยอศัศนีสนากรรมไหมหลอกลวงเข้ามาใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าได้มาแล้วเนี่ยปัจเจเวกไหมเวลาใช้สอยอันนี้พวกนี้ก็เป็นเรื่องของ กุศลศีลทีนี้ศีลเหล่านี้เกิดขึ้นอาศัยจีวรพิจารณาจีวรโดยความเป็นธาตุต่อไปก็เป็นสมถะใช่ไหมพิจารณาโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิกูลก็เป็นสมถะถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุมีอาศัมโมหาสัมปชัญญะเป็นต้นก็เป็นวิปัสสนาเพราะห้ามอารมณ์ที่ก่อให้เกิดบาปแต่ในสิ่งเดียวกันนั่นแหละก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะรู้ ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาอบรมมาก็สามารถที่จะรู้สิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเอาคนทั่วไปดูนางรําแล้วกิเลสเกิดพระบางองค์ดูนางรําแล้วเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเพราะปัญญาเกิดขึ้นฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นนะอารมณ์บางอย่างเป็นแค่อัพยากตะเท่านั้นเองตัวอารมณ์นี้เป็นอัพยากตะใช่ไหมสีเนี่ยบุญบาปอยู่กับสีไหม ไม่อยู่กับสีแนละ้วก็แล้วแต่การปารบสีนั้นๆปลารบให้เกิดบาปก็เกิดบาปทันทีเลยแหละปรารบให้เป็นบุญก็เกิดบุญได้เลยเรีว่าคิดเป็นบุญก็ได้คิดเป็นบาปก็ได้อยู่ที่คิดจริงๆคิดเอาอะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจพระสูตรตรงนี้เนี่ยที่ว่าอย่าปล่อยชีวิตให้มันเป็นไปตามอะไรนะเราทําได้เราเปลี่ยนแปลงได้เนาะนี่เป็นเรื่องของประโยคชค่ะจะไม่ได้ถ้ามีอัตรารสมาปณิธินะน<ะ>ั่งตนไว้โดยชอบธรรมเช่น ถ้าหากว่าอาวิชชาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เราต้องมีวิชาได้ถ้าตั้งอัตตาส ม, มาปณิธิในลักษณะนี้นะแล้วศึกษาต่อไปในสักวันหนึ่งก็ต้องรู้ได้แต่ถ้าเราคิดว่ารู้ไม่ได้แน่รู้ไม่ได้แน่เสร็จแล้วก็มันก็ท้อแท้จริงๆแล้วก็จะไม่รู้สมความปรารถนาเลยนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ชอบทำนะว่าหนึ่งนะ มนุษย์เราได้เป็นแล้วคำสอนพระผู้มีพระภาคมีแล้วพระองค์ประกาศไว้แล้วเราจะต้องเข้าใจคำสอนให้ได้ถ้าตั้งไว้อย่างนี้นะสภาพจิตเราจะค้นคว้าทุกวิถีทางเพื่อให้รู้คำสอนแล้วจะไม่เลือกอราแต่เราคิดาโอ้พระธรรมคำสอนนี่ยากจริงๆละ่ะเป็นเรื่องของคนมีบุญเป็นเรื่องของคนลึกซึ้งเป็นเรื่องของคนมีบุญเขาเสร็จแล้วเราก็บุญน้อยตามเดิมนั่นแหละ แต่บอกเออเรื่องของคนมีบุญเขาเราบุญน้อยอะช่างมันเถอะมันน้อยกันแล้วมันช่างมันเถอะเพราะเราทํามาน้อยที่แล้วประมาทไปแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่ประมาทอย่างน้อยที่สุดศีลก็ยังมีใช่ไหมสูตรนี้นี่นะฮะหมายความว่าเราจะไม่ให้จิตขาดอารมณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะจิตต้องมีอารมณ์ใช่ไหมแต่พระพุทธพิภารตรัสว่าให้เลือกอารมณ์ใช่ไหมครับเจนพายห้ามอารมณ์แต่อารมณ์ที่ใจ บาปจะเกิดแแต่อารมณ์ใดพึงห้ามใจแต่อารมณ์นั้นนะก็คือในสิ่งเดียวกันนั้นอ่ะถ้าเป็นเห็นในในสีเดียวถ้าเห็นเป็นสุภาเป็นอารมณ์ของโลพาถ้าเห็นเป็นปฏิฆาเป็นอารมณ์ของโทสะถ้าเห็นอารมณ์โดยอุเบขาก็เป็นโมหะทีนี้เห็นยังไงให้มันเป็นเห็นชอบอ่ะนั่นแหละก็ในที่เดียวกันอ่ะถ้าสายใจโดยสุภาในมิตห้ามจิตประเภทนั้นอย่าไปรู้แบบนั้น การที่เลือกอารมณ์นี้นี่นะครับไม่ใช่เลือกด้วย ต, วตัวตนนะครับเพราะเป็นกุศลไม่เกี่ยวข้องกับตัวตนเลยอ่ะไม่มีทิฏฐิามาเกี่ยวข้องเลยไม่ใช่ตัวตนเข้าไปนะเลือกอ่ะเพราะมันเป็นกุศลอ่ะคือถ้าอะไรเป็นตัวตนอ่ะมีตัวตนมีไหมไม่มีหรอกถึงจะทำด้วยตัวตนตัวตนก็ยังไม่มีอยู่ดีเพราะตนแท้ๆไม่มีแต่มีแต่ความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตน คิดเองว่าเป็นตนอ่ะจริงๆตนมีไห ม, มโลกนี้โพระเจ้าตรัสไว้เลยว่าสัพเพ ธ, ธรรมาอนัตตาติทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแต่เราไปคิดเอาเองว่ามีตนไอตัวคิดตัวนั้นอ่ะคือตัวทิฏฐิเจตสิกนะครับดังนั้เมื่อเราเลือกอารมณ์เนี่ยขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่โลภทิฏฐิกะตะสัมปยุตเลยไม่ใช่เลยมิฉะนั้นพระผูุ้ทธเจ้าไม่ตัดอย่างนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เราทําได้ หมดเวลาไปเยอะผ่านีปหน่อยแล้วครับอันนะก็ขออนุมโมทนาด้วยนะจําพุทธพจน์ให้ดีนะห้ามอารมณ์ที่ใจเป็นบาปนะถ้าห้ามอารมณ์ชนิดนั้นอนุมโมทนาด้วยเั่นกั